ก็ได้พูดไปแล้วนะว่าร่างกายคนเราเนี่ยทั้งวันหรือว่าทั้งปีทั้งชาติก็มีอยู่แค่สองสภาวะหรือว่าสองโหมดนะคือว่าตื่นนะกับหลับส่วนใจเนี่ยก็มีสองสภาวะเช่นเดียวกันนะก็คือรู้กับหลงพูดถึงการตื่นการหลับเนี่ย มันไม่ใช่ว่าร่างกายคนเราจะตื่นหรือจะหลับโดยโนโมัดนะนักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบว่ามันมีสารตัวหนึ่งนะที่สารสองตัวที่มาทำหน้าที่นีนะ้ก็คือทำให้สมองตื่นแล้วก็ทำให้สมองหลับนะสารที่ทำให้สมองตื่นนี่เขาตั้งชื่อว่าอะเร็กซีน สารที่ทำให้สมองหลับเนี่ยก็เรียกว่าอะดีโนซีนไอสองตัวเนี้ยนะมันไม่ใช่ว่ามันจะออกมาไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันจะผ่ัดกันออกมานะร่างกายเราผลิตออกมาพร้อมๆกันเพียงแต่ว่าบางช่วงเนี่ยออกซิซีหรือว่าสารที่ทำให้สมองตื่นเนี่ยมันก็จะ เรียกว่าเด่นกว่าบางช่วงนะซึ่งก็หมายถึงตอนคืนเนี่ยไอสารที่เรียกว่าอะดีโนซีนที่ทําให้สมองหลับเนี่ยมันก็จะเด่นแล้วก็เพราะว่าสองตัวนี้มันก็ในชีวิตในร่างกายคนเราเนี่ยมันก็จะเรียกว่าอะขับเคี่ยวกันก็ได้ขับเคี่ยวกันว่าใครจะมามีอิทธิพลต่อ สมองหรือร่างกายของเรามากกว่ากันแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะถ้าตอนเช้าเนี่ยไอตัวที่เด่นกว่าคืออรเรคซีนหรือว่าสารตื่นนะแต่พอเริ่มมาถึงหนึ่งทุ่มเนี่ยสองทุ่มเนี่ยไอตัวสารหลับเนี่ยอะดีนโนซีนก็ค่อย ค่อยๆมีชัยชนะนะเหนื อ, ออะเร็กซินดูกระทั่งไปถึงเจ็ดโมงเช้าพอเจมงเช้านี่มันก็ค่อยลดลงแล้วแล้วตัวที่เด่นกว่ามาแทนที่ก็คืออะเร็กซินยุทธสารตื่นนะทั้งวันเนี่ยหรือว่าทั้งปีทั้งชาติเนี่ยตราบใดที่เรายังมีลมหายใจมันก็สู้กันไปสู้กันมาระหว่างสองตัวนี่แหละแต่ว่ามันมีช่วงเวลาของมันนะใจเราก็เหมือนกันนะ ไอ้ตัวรู้กับตัวหลงเนี่ยมันก็ขับเคี่ยวกันเพียงแต่ว่ามันไม่เคยเป็นไปเรื่าเวลาเท่าไหร่เอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้ตัวหลงเนี่ยนะมันก็จะมีชัยชนะนะมันจะเด่นกว่านะมันจะมีอิทธิพลมากกว่าในจิตใจของเราแต่ว่า เราสามารถที่จะเพิ่มกำลังให้กับตัวรู้ได้นะด้วยการปฏิบัติถ้าเราหมั่นเจริญสตินะหมั่นทำความรู้สึกตัวเนี่ยตัวรู้มันก็จะค่อยๆมีกำลังมากขึ้นเราค่อยๆนะค่อยๆมีกำลังในการต้านทานตัวหลงนะจากเดินที่ตัวหลงนี่มันครอบงมจิตของคนเราเกือบทั้งวันแม้กระทั่งในายามตื่น แต่ตัวรู้เนี่ยมันก็จะค่อยๆค่อยๆมีกำลังนะสามารถที่จะผลักตัวหลงให้มันค่อยๆถอยห่างไปจากจิตใจของเราคล้ายๆกับว่าในใจเราเนี่ยมันมันจะมืดมากกว่าสว่างแต่ว่าถ้าเรามันปฏิบัติความสว่างก็ค่อยเพิ่มพูนขึ้น จากเดิมก็เหมือนกับสว่างด้วยแสงเทียนนะแสงเทียนมก็ลิบหลีนะก็สว่างเฉพาะบางจุดบางพื้นที่การปฏิบัติของเราเนี่ยก็เปลี่ยนมาการเพิ่มนะความสว่างในห้องให้มันสว่างแล้วก็ค่อยๆขับไล่ความมืดออกไปเพียแต่ว่าไอ้ความมืดเนี่ยนะมันไม่ใช่มันจะอยู่เฉยนะ ความมืดเนี่ยจริงๆแล้วซึ่งหมายถึงความหลงเนี่ยมันก็ไม่อยู่เฉยเนะมันก็สู้นะมันก็พยายามที่จะเอาชนะตัวรู้เหมือนกันแล้วก็มันฉลาดด้วยมันฉลาดในการเฉลยโอกาสเข้ามาครอบงมจิตเข้ามาบกบังตัวรู้หรือว่าผักใสตัวรู้ให้มันหดหายไปอันนี้ต่างจากแสงสว่างความมืดนะ เพราะแสงสว่างนี่มันกัมันความมืดในห้องมันเหมือนกับเพียงแค่ตั้งรับนะอยู่ชื่อว่าสว่างมากหรือสว่างน้อยสว่างน้อยนะมันก็ครอบงำในห้องเยอะแต่ถ้าสว่างมากมันก็ถอยร่นแต่ว่าตัวหลงเนี่ยมันทามากกว่านั้นนะมันอย่างที่บอกมันฉลาดในการช่วยโอกาส มันช่โอกาสทุกอย่างทุกเวลาเพื่อที่มันจะคลองจิตครองใจของเราแม้แต่เวลาเรามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อเพิ่มตัวรู้ให้มากขึ้นอุตส่าห์มาวัดเพื่อมาเจริญสติสร้างความรู้สึกตัวแต่สังเกตไหมแม้ขณะที่เรากําลังสร้างความรู้สึกตัวเนี่ย ความหลงมันยังส่วยโอกาสเข้ามาครอบงำจิตใจ ย, ยกมือไปเนี่ยมันเป็นแค่กายยกแต่ว่าใจมันหลงแล้วคือลอยคิดไปถึงอดีตหลายไปอนาคตหรือไม่ก็จมในอารมณ์ยกมือได้แท้เพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวใจใจมันหลงไปซะแล้ว เรามาทำวัดเนี่ยเพื่อทำให้จิตใจแช่ชื้อเบิกบานเพื่อทำให้เกิดมีสติความรู้สึกตัวแต่สังเกตไหยขณะที่ทำวัดปากก็ว่าไปแต่ว่าใจลอยไม่นอยู่ไหนหลงนะเดินตรงกลมกั น, กนนะเดินเพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวแต่เดินไปเดินไปหลงซะละกลายเป็นว่าการ เดินจงกรงของเราเนี่ยมันเป็นการเปิดช่องให้ความหลงนี่เข้ามาครอบงมจิตไม่ต้องพูดถึงเวลาอื่นอน้ำถูฟันกินข้าวล้างจานปัดกวาดทำความสะอาดความหลงเนี่ยมันคอยเข้ามาจู่โจมเราทุกเมื่อเลยมันฉลาดมากน ะ, ะมันรู้จัก มันฉลาดในการช่วยโอกาสเวลาฟังธรรมเราฟังธรรมเพื่อได้เกิดปัญญาแต่บ่อยครั้งนะความหลงก็คลองใจหน้าหูเนี่ยฟังแต่ว่าใจไปคิดถึงบ้านคิดถึงงานคิดถึงลูกหรือคิดถึงเหตุการณ์ที่ถูกตาว่าด่าทอ ติดใจก็เลยขุ่นมัวขัดเคืองหรือว่ากังวลอันนี้เรียกว่าหลงแล้วนะมาวัดเพื่อจะได้เพิ่มตัวรู้แท้ๆแต่ว่าโดนความหลงที่มันเล่นงานเต็มเป้าเลยความหลงนี่มันคอยจับจ้องนะที่จะโชว์กาครคล่องงามจิตเราตลอดเวลา และช่วงเวลาที่มันจะเข้ามาเล่นงานจิตใจเราได้เนี่ยก็มีหลายโอกาสเหลือเกินโดยพระเวลาเราอยากจะเราไปไปจ้องมองไปเพ่งโทษคนอื่นหรืออยากจะอวดว่าฉันเป็นคนเก่งเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละเป็นโอกาสดีที่ความหลงมันจะเข้ามาเล่นงานเพราะเราจะเคยได้ฟังนะเรื่องราวของพระญี่ปุ่นสี่รูป นัด ก, กันว่าเนี่ยจะภาวนาร่วมกันไม่พูดไม่คุยกันเป็นเวลาสามวันเรียกว่าภาวนาแบบอุกฤษระญี่ปุ่นในเวลานั่งสมาธิเนี่ยเขาจะนั่งใกล้ๆกันเรียงกันเป็นแถวช่วงกลางวันเนี่ยตั้งแต่เช้าจดเย็นเนี่ยก็สามารถจะนั่งได้โดยที่ไม่เปรี้ปากพูดคุยกันเลยพอตกค่าแล้วก็พอดึกๆนะ พอถึกดึงเนี่ยได้ยินเสียงมีเสียงดังที่วิหารวิหารเนี่ยของวัดเนี่ยนะก็มีของโ บ, บราณโบราณเยอะของมีค่าทั้งนั้นพอเสียงดังเนี่ยมันเสียงประตูนะเสียงกุกกักกุกกักนะมันดังไปถึงศาลาที่ทั้งสี่รูปเนี่ยนั่งภาวนา รูปหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยท่านล็อกประตูนะดีหรื อ, อยังเนี่ยแน่นหนาหรือเปล่าอีกรูปหนึ่งก็พูดขึ้นมาทันทีว่าอาท่านพูดทําไมท่านไม่รู้เขาห้ามพูดดูพิษสางเลยพูดว่าแล้วท่านพูดทําไมองเงียบสักพักก็มีเสียงจากรูปที่สบอกว่าเนี่ยพวกที่นี่แย่มัเลยพูดกันทุกคนเลยเยกเว้นผมคนเดียวไม่พูด นี่หลงหั้มคนแรกนี่ก็หลงนะเพราะว่าจิตเนี่ยส่งออกนอกนะประตูเนี่ยล็อกไม่แน่นหนาหรือเปล่าความหัวก็ทำให้หลุดปากพูดออกมาถามรูปที่สองว่าปิดล็อกกุญแจนั่นไหมรูปที่สามนี่ก็สวนขึ้นมาทันทีนะรูปที่สองเนี่ยสวนขึ้นมาทันทีรูปที่สามก็ตอบว่ารูอีกสองรูปแต่รูปที่สี่นี่หนักกว่านั้นนะ ต้องการอวดว่านี้ยฉันไม่พูดเลยนะความต้องการอวดนะมันก็ทําให้เผลอไปเผลอคือลืมตัวต้องการอวดว่าฉันไม่พูดเลยก็เลยพูดขึ้นมานะนี่เรียกว่าความหลงมันโชวอกาสนะมันโชวยอากาศตอนที่เราอยากจะคุยโม้นะรวมทั้งโชว์อกาสตอนที่เราเนี่ยไปเพ่งโทษคนอื่นนะหรือว่า เพราะว่าพอเพ่งโทษแล้วมันก็อยากจะพูดอยากจะต่อว่าและบางทีสิ่งที่เราทำเนี่ยมันแย่กว่าคนที่เราต่อว่าซะอีกนะอย่างมีผู้ชายคนหนึ่งไปดูหนังเนี่ยเดีย๋ยวนี้คนไม่ค่อยเข้าโรงหนังกันแล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยคนก็นิยมไปโรงหนังการที่นะกำลังดูหนังนะได้อารมณ์ที่ซาบซึ้งประทับใจก็ราะว่า หญิงชายสองคนน่ข้างหลังเนี่ยแถวหลังเนี่ยนั่งพูดคุยกันท่าทางจะจีบกันก็เงาก็ะงอดผู้ชายคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าก็รำคาญนะเพราะเสียงมันมารบกวนสมาธิของเขาก็พยายามส่งสัญญาณด้วยการหันกลับไปมองไปศบตาแต่สองคนนั้นก็ไม่สนใจก็ยังพูดคุยกัน แล้วก็มองหันกลับไปหลายครั้งก็ไม่ได้ผลแล้วเขาก็เริ่มหงุดหงิดแล้วก็เริ่มคาแล้วก็ขุดมัวมากขึ้นสุดท้ายเขาก็นะหันไปต่อว่านะลุกขึ้นมาเลยนะแล้วก็พูดกับสองคนนั้นว่าคุยอะไรกันนะจะมาดูหนังนะหรือว่าจะมาจีบกันพูดเสียงดังเหลือเกินไม่เกลีใจกันเลย บอกว่าใครพูดดังกว่ากันนะใครรบกวนผู้คนมากกว่ากันสองคนนั้นเขาแค่กระซิบเบาๆนั่นแต่ไอคนที่ลุกขึ้นมาต่อว่าเนี่ยพูดเสียงดังดังไปดิ้งไปทั้งโรงทั้งโรงหนังเลยไปว่าเขาว่าพูดเสียงดังแต่ตัวเองเนี่ยใช้เสียงดังยิ่งกว่าคนอื่นเขาอีกนี่เรียกว่าอะไรนะเรียกว่าหลงกันหลงพ่อละพาะอยากจะไปต่อว่าเขา แต่แ้สิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยนะกับหนักกว่าคนที่ตัวเองต่อว่าซะมันมีคำสำนวนสมัยก่อน mm hmm. ก็มาจากหนังสือเรื่องอินเนาเนั่ยแหละว่าแต่เขาอินเนาเป็นเองคนเราเนี่ยพอคิดแต่จะว่าเขาเนี่ยเราก็เป็นซะเองนะเราเป็นเองแล้วก็เป็นหนักกว่าด้วยแล้วก็เราก็มักจะพบเหตุการณ์แบบในชีวิตประจาวันบ่อยๆนะ คนเดิมนี้เนี่ยนะเราเผลอตัวง่ายเราลืมตัวง่ายโดยเพราะเมื่อเราตั้งใจจ ะ, ะไปต่อว่าด่าทอคนอื่นหรือว่าอยากจะสั่งสอนนะโดยเพาะเวลาใครทำไม่ดีเนี่ยบางทีมันมีความคิดนะไม่พอใจมีความรู้สึกไม่พอใจแล้วก็อยากจะไปสั่งสอนแต่ว่าผลสุดท้ายเนี่ยกับทำสิ่งที่ย่าแย่กว่า เขา อ, อีกนะพวกเราเนี่ยคงเคยได้ยินหรือว่าได้เคยดูนะคลิปวิดีโอเนี่ยที่มีพิซี่กรอนคนหนึ่งเนี่ยรถของเขาถูกชนท้ายรถราคาแพงช่ด้วยนะรู้สึกยี่ห้อม่นิคคูปเปอร์ถูกชนท้ายและมอเตอร์ไซค์ที่ชนท้ายเนี่ยก็ทีแรกก็หนีนะแต่สักพักเนี่ยก็ ขับรถย้อนกลับมาเจ้าของรถมินิคูเปอร์เนี่ยนะก็ก็เลยไปต้องใช้คำวันลากคอเนี่ยไปลากคอคนขี่มอเตอร์ไซค์ลากคอลากคอมาที่รถของตัวไม่ใช่แค่ดา่าแต่ว่าต่อยด้วยระหว่างที่ต่อยเนี่ยหรือระหว่างที่ตบหน้าเนี่ยก็พูดว่าหนีทำไมหนีทำไมพูดไปก็ ต่อยแล้วก็ตกนะต่อหน้าผู้คนเนี่ยเป็นร้อ ย, นยคนก็มามุงกันแน่นแล้วก็มีบางคนก็ถ่ายนะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอนี่ก็ต่อมาก็เผยแพร่ไปทั่วประเทศคนก็ลุมดานะเจ้าของรถคันนั้นเนี่ยและภายหลังก็ ถูกเลิกสัญญานะถูกประนามหยามเยียดไปทั่วนะจนกระทั่งต้องหนีไปบวชนะเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราดูดีๆเนี่ยนะมันเห็นได้ชัดว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยเจ้าของรถเนี่ยเขาลืมตัวนะเขาลืมตัวทำไมเขาลืมตัวเพราะเขาเห็นการกระทำที่ไม่ดีของเจ้าของมอเตอร์ไซค์เนี่ย ตามเรื่องก็ว่าชื่อบอยนะชนหล่านีนมันเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจนะในสายตาของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องสั่งสอนอย่าทำแบบนี้ทีหัองอย่าทาแบบนี้ดูมันดีนะเจ ต, ตนาดีต้องการสั่งสอนกำราบหรือปรามคนที่ไม่มีมารยาทหรือคนที่ทาผิดแต่ว่าสิ่งที่เขาสิ่งที่เจ้าของรถเนี่ยซึ่ง นะชื่อว่าน็อตเนี่ยนะนะสิ่งที่น็อตทำเนี่ยนะมันกลับเลวร้ายกว่าสิ่งที่บอยทำสิบบอยนี่ก็แค่นะขับรถนะชนท้ายมันก็ทำให้รถเนี่ยเสียหายบ้างนิดหน่อยก็ไม่ต้องเสียหายแต่ ว, ว่าสีทลอกแล้วก็ไฟไฟแตกนะแต่ว่าสิ่งที่น็อตทำกับบอยนี่มันมันแย่กว่าสิทธนะ์เพราะว่าถึงกับทำร้ายร่างกาย อันนี้ก็เริ่มต้นจากการที่ต้องการสั่งสอนนะสั่งสอนสั่งสอนคนที่ทําไม่ดีแต่กลับลงเอ่ยว่าตัวเองเนี่ยกลับทาแย่กว่าเขาสิทธ์นะเพราะอะไรเพราะลืมตัวเนะพราะหลงความต้องการสั่งสอนเนี่ยไม่ว่าไม่ใช่เฉพาะกรณีอย่างนี้เท่านั้นนะบางทีพ่อแม่ต้องการสั่งสอนลูกครูต้องการสั่งสอนศิษย์ แต่ถ้าไม่ระวังตัวเนี่ยความหลงก็จะเข้ามาครอบงามทันทีเลยและพอครอบงามเสร็จก็ทําในสิ่งที่ต้องเสียใจในภายหลังนะเกิดความเดือดร้อนตามมาเป็นข่าวทั่วไปอาจจะเริ่มต้นด้วยความปาถนาดีหรือมีความดีนะหรือมีความปาถนาดีเจออยู่นะนะอยากสั่งสอนนะการกระทําที่ไม่ดีแต่แม้กระทั่งเวลาตั้งใจจะทําทดีนะแต่ถ้าไม่รู้ตัว ไม่ระวังตัวนะมันก็โดนความหลงเข้ามาครอบงําได้ทั้งหมดนี่มันก็เพราะว่าไม่ไม่รู้จักหันมามองตนนะคนเราเนี่ยชอบหันมามองตนเนี่ยมันสังเกตตนมันมันดูใจตนเนี่ยมันยากนะที่ความหลงจะเข้ามาครอบงําใจนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนชอบส่งจิตออกนอก เลยเพราะเวลามีคนทําไม่ดีเวลามีคนทําไม่ถูกเนี่ยจิตมันจะพุ่งไปเลยมันมีความปรารถนาดีนะอาจจะปรารถนาดีต่อส่วนรวมหรือปรารถนาดีต่อคนคนนั้นนะเห็นเขาทาไม่ดีก็อยากให้เขาทาดีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ว่าทันทีที่จิตเราพุ่งออกไปที่คนคนนั้นเนี่ย แล้วลืมตัวหรือว่าไม่สังเกตใจของตัวเนี่ยความโกรธความเกลียดมันจะมันจะพร้อมงำนะมันจะเข้ามาเล่นงานจิตใจได้และตรงนั้นแหละที่จะทำให้ลืมตัวนะเราก็เรียกว่าหลงเราก็ทำในสิ่งที่เกิดความเสียหายตามมาเน้นเนี่ยถ้าเกิดเราถ้าเราไม่ต้องการจะให้ความหลงเนี่ยมันเข้ามาเล่นงา น, านจิตใจนะจน เราทำตัวเราเสพผู้เสคนเนี่ยนะต้องมั่นนะกลับมาดูใจของเราอยู่เสมอโดยเพราะเวลามีความไม่ถูกต้องเวลามีความผิดพลาดเกิดขึ้นข้างหน้าเราหรือว่ามีคนอื่นทำความผิดพลาดให้เราเห็นเนี่ยนะก่อนที่จะทำอะไรลงไปก่อนที่จะพูดอะไรลงไปกลับมาดูใจซะก่อนคนเราเนี่ยถ้ากว่ามองเห็นคนอื่นเป็นปัญหา ต้องระวังนะว่าเราอาจจะกลายเป็นตัวปัญหาเสียเองนะคนที่สร้างปัญหากับผู้อื่นเนี่ยบ่อยครั้งเริ่มต้นจากการที่ไปมองว่าคนอื่นเป็นปัญหานะทำไมไ่ดีอย่า ง, งาน้นทาไม่ดีอย่างนี้ทำไมพูดสิทำไมพูดเน้เมื่อตกลงกันแล้วว่าจะไม่พูดกันระหว่างที่ทำสมาธิภาวนาทำไมถึงคุยกันในโรงหนังนะ ไม่เกรงใจกันบ้างทาไมถึงขับแล้วชนแล้วหนีไอ้ตรงนี้แหละนะพอความคิดตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยความหลงมันเต็มเข้ามาครอบงำจิตเลยและทำให้เรากลายเป็นปัญหาเสียเองแต่บางครั้งเนี่ยเราก็เป็นปัญหาตั้งแต่แรกแล้วแต่กลับไปหมอว่าเขาเป็นปัญหาเสเองนะมีผู้ชายคนนึงเนี่ยโทรสั์ไปหาหมอ เป็นหมอประจำบ้านนะหมอภรรยาผมเนี่ยสงสัยว่าจะหูตึงนะผมพูดจะเรียกอะไรไปไม่รู้เรื่องเลยหมอมาเยี่ยมมาหาที่บ้านหน่อยมาตรวจภรรยาผมหน่อยหมอก็บอกว่ายังไม่ว่างอาจารย์นหน้าไปหาพาภรรยาไปหาหมอที่คลินิกก็แล้วกันผู้ชายก็บอกว่ามันช้าไป หมอมาที่บ้านวันนี้ไม่ได้เลยไม่ได้หรอกหมองนี้นก็เลยบอกว่าหมอก็เลยบอกงั้นปรึกษากันทางโทรศัพท์ก็แล้ว ก, กันตอนนี้คุณอยู่ไหนอ่ะอยู่ในห้องอแล้วภรรยาอยู่ไหนอยู่นอกห้องงั้นคุณเรียกชื่อภรรยาซิเขาก็เรียกชื่อภรรยาสมศรีสมศรีหมอเขาไม่ได้ยินเลยนะเงียบหมอก็เลยแนะนาว่าให พูดเสียงดังกว่านี้สมศรีสมศรีก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหมอเลยแนะนาให้คุณเนี่ยเดินไปนอกห้องไปหน้าประตูแล้วตะโกนเรียกสิเขาก็ทำตามนะสมศรีสมศรีก็เงียบอีกตอนนี้ภรรยาเห็นหรือยังเห็นแล้วนะเคอยู่ในอยู่ในห้องครัวกำลังหันหลังยืนหันหลังอยู่สงสัยจะกำลังหันผักเนี่ย อาเรียกดังๆใชก็เรียกอีกสมซีสมซีก็ยังเงียบหมอเลยแนะนํามาให้เดินไปที่หน้าหน้าหน้าครัวแล้วก็เรียกเขาก็เรียกสมซีสมซีภรรยาก็ยังก็ยังนิ่งนะไม่ได้ไม่มไดเสียงเลยหมอเลยแนะนำมาให้ไปที่ข้างหลังภรรยานะแล้วก็จับตัวนะแต่แตะแตะ แ, แขนนะแล้วก็เรียกสมซีสมซี ก็ทําตามนะไปแตะเดินไปที่ข้างหลังภรรยาก็แตะนตัวเบาๆแล้วก็เรียกคราวนี้ได้ผลเลยภรรยาเนี่ยหันหลังกลับมาเลยท่าทางฉุนเฉียวแล้วก็พูดขึ้นมาว่าอะไรเหรอเนี่ยเธอเป็นอะไรตะโกนเรียกชื่อฉันมาสิบครั้งแล้วทุกครั้งฉันก็บอกว่ามีอะไรหรือมีอะไรหรือเธอก็ยังเรียกฉันผสมสีนันแหละหูตึงหรือไงเนี่ยเธ อ, องไงต้องไปหาหมอแล้ว ตกลงใครหูตึงกันแน่นะนะสามีหรือภรรยาสามีหูตึงนะภรรยาก็ขาดรับแล้วแต่ไม่ได้ยิงก็ไปคิดว่าภรรยาเนี่ยหูตึง น, นี่พ่ออะไรนะพอชอบไปมองคนอื่นลืมมองตัวเองถ้าคนหลายคนเป็นอย่างนี้นะไปมอคนอื่นเป็นปัญหาแต่จริงๆตัวเองเป็นปัญหาหรือไม่ใช่นั่งการกระทํางของตัวเองนี่แหละเพราะความหลงนี่แหละ มันก็เลยกลายเป็นสร้างปัญหาขึ้นมานั่นเนี่ยให้เราเนี่ยนนะลองนะให้เราเนี่ยตระหนักนะว่าเมื่อใดก็ตามที่เราส่งจิตออกนอกหรือไปเพ่งผู้อื่นเนี่ยต้องระวังและที่พูดขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเล็กๆ น, น้อยๆนะหรือมันเป็นปัญหาที่เราสร้างกับผู้อื่นแต่ถึงแม้ไม่มีคนอื่นมาเกี่ยวข้องเลย ถ้าเราปล่อยให้ความหลงเข้ามาครองใจเมื่อไหรเนี่ยเราเองน่าจะทุกข์นะแค่อยู่เฉยเฉยแล้วไปนึกถึงนะแทนที่จะทําความรู้สึกตัวกับการอาบนา้ําถูฟันยกมือสร้างจังหวะหรือเดินจงกรม ใ, ใจเราไปนึกถึงเหตุการณ์ที่เลวร้ายในอดีตทั้งที่คนอื่นทํากับเราหรือที่เราทํากับคนที่เรารักความล้มเหลวความสูญเสีย แค่นี้ก็ทุกแล้ะเวลามีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับทรัพย์สมบัติของเรานะกับร่างกายของเราหรือกับหน้าตาศนะักดิ์ศรีของเราเนี่ยตรงนั้นแหละคือโอกาสที่เป็นโอกาสดีที่ความหลงมันจะเข้ามาจู่โจมเล่นงานเราเหตุการณ์มันผ่านไปเป็นปีแล้วบางทีสิบปีแล้ว แต่มันก็จะเพราะความหลงนี่แหละมาทำให้เราเนี่ยขวนกลับไปคิดถึงสิ่งนั้นนะเสร็จแล้วเราก็ทุกข์ทุกข์กับเรื่องที่มันผ่านไปนานแสนนานทุกข์กับเรื่องที่แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วหรือบางทีมันก็ไม่เกิดขึ้นเลยซ้ำนะแต่มันโนไปแล้วแล้วเราก็เป็นอย่างนี้บ่อยนะเวลารถติดเนี่ยเวลารถติดเนี่ยใจยไปแล้ว นั่นก็เป็นโอกาสหนึ่งเป็นเวลาช่วงหนึ่งนะที่ความหลงเนี่ยมันฉวยโอกาสมาเล่นงานจิตใจเราพอรถติดเนี่ยกังวลแล้วอยเดี๋ยวจะไปส่งลูกชาเดี๋ยวจะไปประชุมไม่ทันเดี๋ยวจะผิดนัดเดี๋ยวความเสียหายจะตามมานะไปแล้วนะคิดแล้วถ้าผิดนัด น, นี่จะเกิดอะไรขึ้นตามมาถ้าไปประชุมไม่ทันนะจะมีความเสียหายตามมาอะไรมากมายคิดไปแล้ว หรือว่าถ้าตกเครื่องบินเนี่ยเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเดือดร้อนสารพัดเลยไปแล้วเนีะยยังไม่เกิดขึ้นเลยนะแต่ว่าใจมันคิดไปแล้วพอคิดแล้วเป็นไงเครียดหงุดหงิดกระวนกระ ว, นกระวายกระสับกระส่ายแต่นี่ยังเบานะยิ่งถ้ามันมีเหตุการณ์ที่หนักๆ ก, กว่านั้นเนี่ยหรือว่ามีเรื่องที่ แม้จะยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าเดิมพันนั้นสูงนะลูกสอบเข้ามหาวิาทยาลัยไม่ได้อุเสีย ห, เยหายมากเลยเนะในความรู้สึก ข, ของพ่อแม่เครียดเลยนะเครียดเหมือนกับว่าลูกเนี่ยสอบไม่ได้ทั้งที่ยังไม่สัญญาถึงวันสอบเลยไปซะและ้วนะคนเราเนี่ยก็เลยทําร้ายตัวเองซ้าเติมตัวเองเพื่ยปล่อยให้ความหลงเข้ามาครองใจอย่างที่พูดมา่สองวันก่อนเนี่ยคนป่วย ป่วยนิดป่วยหน่อยก็สุดเลยนะร่างกายสุดเลยหรือบางทีก็ปล่อยให้ความปวดคล้องนจนเส้นเลือในสมองแตกหรือว่าหลงนะขณะที่กำลังขับรถเกิดอุบัติเหตุนะจนพิกลพิ ก, การความหลงมันน่ากลัวนะนันดนอย่าพยายามเปิดช่องให้ความหลงนี่มันเข้ามา เล่นงานจิตใจเราไม่ว่าอะไรไม่ว่าเจออะไรหรือไม่ว่าทำอะไรอย่าลืมกลับมาดูใจตัวเองไม่ว่าจะทำสิ่งเล็กสิ่งน้อยเช่นอาบน้ำถูฟันหรือว่าทำสิ่งที่มันมีความเสี่ยงความมันตรายเช่นขับรถหรือว่าทำงานทำการซึ่งมันมีเดิมพันสูงมันมีอุปสรรคยังไงก็อย่าลืมกลับมาดูใจของเรา เวลาเจออะไรที่มากระทบกระทั่งมากระทบกับหน้าตาศักดิ์ศรีคนรักของรักหรือว่าเจอสิ่งที่ขัดใจไม่ถูกใจเนี่ยอย่าเพิ่งไปเพ่งโทษเขาอย่าเพิ่งไปจ้องเล่นงานเขาให้กลับมาดูใจซะก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็อาจจะทำในสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนหรือสร้างความห็นน่ให้กับตัวเองได้ อ่ะชายนีกเป็กทนนีนะกรับคระ